จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบสี่ธันวาคมพุทธศักราชสอง6้าห้าหเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าง อยากภาลูกธิการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสารณะสร้างที่พึ่งให้แก่ใจสารณะในโลกนี้ไม่มีสารณะใดยจะสูงเท่าจะดีเท่ากับสารณะทางพระพุทธศาสนา พราะสาร ะ, ะทางพระพุทธศาสนาเป็นสาร ะ, ะเดียวที่สามารถกำจัดความทุกข์ดับความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้สาร ะ, ะอย่างอื่นไม่สามารถที่จะกำจัดดับความทุกข์ให้หมดไปได้ดังนั้นการเข้าหาสาระนะทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นการเข้าหาสารณะที่พึ่งที่แท้จริงสาระทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สามคือพุทธทางสารังกฉามิธรรมสารังกฉามิสังฆังสารังกฉามิคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําคสอนและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งทางจิตใจของสัรโลกได้ผู้ใดได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้นั้นจะอยู่เหนือความทุกข์จะไม่มีความทุกข์ที่จะเข้ามาเหอียงย่ำทำลายสร้างความทุกข์ทรมารให้แก่ใจได้เลย สารณะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือสารณะภายนอกและสารณะภายในสารณะภายนอกยังไม่ได้เป็นสารณะที่พึ่งที่แท้จริงเพราะยังไม่สามารถดับความทุกข์ได้สารณะที่พึ่งที่แท้จริงนี้ต้องเป็นสารณะภายใน แต่ก่อนที่จะได้สาระภายในก็ต้องอาศัยสาระภายนอกเป็นผู้ชี้บอกถึงสาระภายในก่อนสาระภายนอกนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆเวลาเราขับรถยนต์ไปตามถนนหนทางถ้าเรามองไปทางซ้ายขวา เรามักจะเห็นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆป้ายโฆษณาบ้านจัดสรรป้ายโฆษณารถยนต์ป้ายโฆษณาเครื่องใช้ไม่สอยอะไรต่างๆแต่ป้ายเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นสินค้าเป็นเพียงโฆษณาบอกสรรพคุณของสินค้าผู้ที่ต้องการได้สินค้าต้อง ตามที่ป้ายบอกเช่นจะบอกว่าอยู่ที่ไหนจะติดต่อกับใครถึงจะได้สินค้าที่ปรารถนาเช่นเห็นป้ายโฆษณาบ้านคอนโดเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่ให้เราติดต่อถ้าเราติดต่อเราเดินทางไปเรามีทรัพย์เราก็จะซื้อสินค้า ที่เขาโฆษณาขายได้ฉันใดพระรัตนาฏไว้ภายนอกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเพียงบ่ายบอกทางให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่อยู่ภายในใจของเราเช่นพระพุทธเจ้าเวลาเราเห็นพระพุทธรูป เราก็ลำลึกถึงพระพุทธคุณลำลึกถึงพระพุทธประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าว่าทรงเสด็จออกจากพระราชวังสละพระราชสมบัติแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจนได้ตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา พระธรรมคำสอนที่ทรงสอนก็ทรงสอนให้สัตว์โลกปฏิบัติเพื่อจะได้หนีที่เพิ่งที่แท้จริงพระอาริยสงสาว ก, ก็คือผู้ที่มีจิตศรัทธาที่หลังจากได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจึงนำเอาไปปฏิบัติ แล้วก็ได้สร้างสราระภายในใจให้ปรากฏขึ้นมานี่แหละคือป้ายข้างนอกมีหน้าที่เพียงแต่บอกสรรพคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมิเกิดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ ภาในใจได้เช่นพระพุทธรูปที่เรามีกราบว่ามีปฏิสถานไว้ตามสถานที่ต่างๆ ต, ตามวัดตามบ้านหรือแม้แต่ในรถยนต์หรือในตัวร่างกายของเราเราก็มักจะมีพระห้อยคอไว้เสมอเพราะเรา ถือเป็นที่พึ่งของเราแต่ท่านยังไม่สามารถปกป้องความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้ต่อให้เราซื้อพระราคาเป็นแสนเป็นล้านมาห้อยคอพระที่เราห้อยคอนี้ยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีอยู่ในสื่อต่างๆก็เช่นเดียวกันอยู่ในหนังสือก็ดีอยู่ในแถบซีดีก็ดีอยู่ในแผ่นดีวีดีก็ดีการได้ดูได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ <Yeah. S 1> พระอริยสงสาวก ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าพระสุปฏิปนุนที่เรากราบว่าบูชาที่เรารับคําสั่งคําสอนท่านก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้สารณะที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้นี้อยู่ภายในใจของเราเกิดขึ้นจากการ น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเหมือนกับเราเห็นกเห็นป้ายโฆษณาสินค้าเขาบอกว่าอยากจะได้สินค้าชนิดนี้ก็ต้องไปสถานที่นี้ป้ายบอกสารณะที่พึ่งของพวกเราก็เช่นเดียวกันท่านกระชี้เข้ามาภายในใจของเรา เราต้องโอปนะิโกเราต้องนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอาริยรสงสาวกทั้งหลายเอาเข้ามาภายในใจของเราด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาริยรสงสาวกสั่ง ส, สอนให้เราปฏิบัติ เช่นท่านสอนให้เราละบาปทำบุญชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้แหละเป็นการที่เราจะได้ไปซื้อสินค้ารับสินค้าที่เราอยากได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากการละที่เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพระเจ้า ทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราสามารถทำบุญละบาปชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาภายในใจที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภายนอกทางของร่างกายเช่นรากยศสรรเสริญที่จะต้องมีการเสื่อมมีการพัดพรากจากกันหรือเรื่องของร่างกายของเราที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปในที่สุดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะไม่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจ ทุกทรมานใจหวั่นไหววิตกกังวลเพราะเรามีที่พึ่งเหมือนกับเรามีเสื้อเกราะไว้ใส่เวลามีใครยิงปืนใส่เราเกราะนี้ก็จะป้องกันไม่ให้กระสุนนี้เข้ามาถึงร่างกายของเราเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเกราะ คุ้มคอป้องกันไม่ให้ใจของเราต้องทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายการพลาดพาจากของที่เรารักที่เราชอบการประสบพบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกวุ่นวายเลยถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปรากฏขึ้นมาภายในใจถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าอย่างเข่งครัดคือสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิต ป, ปฏิปันโนแล้วใจของเราก็จะได้ผลปรากฏขึ้นมาจะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นธรรมะปรากฏขึ้นมาภายในใจธรรมะที่เป็นสระดังกะฉามิที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นจากการทำบุญจากการละบาปจากการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์พอปรากฏธรรมะขึ้นมาแล้วก็จะปรากฏพุทธะขึ้นมาและสังฆะขึ้นมาพร้อมๆกัน เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมแต่ผู้ที่เห็นสรีระของตถาคตนี้ยังไม่ใช่เป็นผู้ที่เห็นธรรมต่อให้อยู่ใกล้ตถาคตอยู่ใต้ อยู่ใกล้สรีละของตถาคตขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่ได้เข้าถึงตัวตถาคตผู้ที่จะเข้าถึงตัวตถาคตได้นี้จะต้องเข้าด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของตถาคตของพระพุทธเจ้าก็คือต้องทำบาต้องลต้องทำบุญละบาแล้วก็ชาระใจให้สะอาดตรงสุ์ ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาหะด้วยความเข้มแข็งอดทนทำอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำเพียงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าจะไม่ได้ผลเต็มที่นั่นเองเหตุต้องเต็มที่ผลจึงจะเต็มที่ได้ผลที่จะเต็มที่ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสารกได้ทากัน ทำบุญชนิดแบบหมดเนื้อหมดตัวมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้คนอื่นไปหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติภาษาโวกทั้งหลายก็สละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดาให้แก่ผู้อื่นไปไม่ต้องการอะไรเลย ต้องการเวลาต้องการตัวปเปล่าต้องการอิสราภาพที่จะได้มีเวลามาละบามีเวลามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอท่านทำอย่างเต็มที่สละทำสละอย่างเต็มที่ให้ทานอย่างเต็มที่ท่านก็สามารถรักษาศีลได้อย่างเต็มที่ สี่ทุกข้อก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความด่างพร้อยในสิ่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วการชำระใจก็ชำระได้อย่างเต็มที่กําจัดสิ่งที่เป็นเครื่องเศรา้าหมองสิ่งที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาจนหมดไปจากใจใจก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา สิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดก็คือความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองหรือตัณหาความอยากอันนี้คือสิ่งที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราทุกๆคนที่ทำให้ใจของเรายังต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอยู่ความจริงเรื่องราวต่างๆ น, นี้ เขาไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์กันแต่เหตุที่ทําให้เราทุกข์กันก็คือความอยากของเราที่เองถ้าเราไม่มีความอยากแล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามจะไม่ทําให้ใจของเราทุกข์เลยเช่นถ้าเราไม่ไปยึดไปติด สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นของเราเราก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ว่าเป็นของเราเราก็จะทุกข์ทันทีเช่นเราไปติดกับคนใดคนหนึ่งว่าเป็นแฟนของเราพอเราไปติดกับเขา ไปถือว่าเป็นแฟนของเราเราก็จะเกิดความอยากให้เขาดีกับเราให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอเขาไม่ดีหรือพอเขาไม่อยู่กับเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ไปถือไปยึดไปติดเขาว่าเป็นแฟนของเราเป็นคู่ครองของเรา เป่นคนที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเราจะไม่ทุกข์กับเขาเลยแต่พอเราไปยึดเขามาเป็นของเราทันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะจะมีความอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นของเราไปตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของชั่วคราวนั่นเองแต่พวกเราโง่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นความจริงอันนี้มองไม่เห็นว่าสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปคนละทางกันจะไปแบบไหนก็มีหลายแบบด้วยกันไปเพราะทะเลาะวิวาทกันไปเพราะเบื่อที่หน้ากันไปเพราะตายจากกัน ก็มีเหตุต่างๆที่จะทำให้ต้องไปจากกันไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันไปตลอดอย่างถาวรแต่ใจนี้มันไม่คิดอย่างนั้นพอได้อะไรมาเป็นของตนแล้วก็จะเกิดความอยากเกิดความหวงขึ้นมา ท, าทันทีจะไม่ให้สิ่งที่เป็นของตนนี้จากตนไปพอเกิดความอยากอย่างนี้ขึ้นมา ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆภายนอกที่มีมามีไปเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดาแต่ปัญหาอยู่ที่ใจของเราที่ไปผูกมัดติดอยู่กับเขาแต่ถ้าเราไม่ผูกมัดเราก็จะไม่ทุกข์เช่นเราไม่ทุกข์กับพระอาทิตย์ ภาทิศจะขึ้นภาทิศจะตกเราไม่ทุกข์กับเขาเขาจะมาเขาจะไปเราไม่ทุกข์กับเขาหรือคนที่เราไม่รู้จักรือรู้จักแต่เราไม่ไปผูกพันกับเขาไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเขาจะมาเขาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาต้องอยู่กับเราไปตลอด ต้องดีกับเราไปตลอดนี่คือปัญหาของพวกเราคือความหลงความหลงที่มองไม่เห็นว่าของต่างๆในโลกนี้บุคคลต่างๆในโลกนี้เป็นเพียงของชั่วคราวเป็นสมบัติชั่วคราวที่จะต้องหมดไปในวันหนึ่งไม่ว่าเขาจะจากเราไปก่อนหรือไม่เช่นนั้นเราก็จากเขาไปก่อน แต่เราจะไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดนี่คือความจริงถ้าเราเห็นความจริงเราจะได้ไม่ไปผูกมัดตัวเราให้ไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้เราจะได้ไม่ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้อยู่กับเราไปตลอดอยากให้เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการพัดพร่าจากกันไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีความรู้ น, นี้เราก็จะสามารถชำระกิเลส ต, ตัณหาเครื่องเศร้าหมองภายในใจของเราได้เพราะเราจะไม่โลภไม่อยากได้อะไร พอเราไม่โย้ไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่เกิดการโกรธของเรานี้เกิดจากความโลภจากความอยากของเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำตามใจอยากของเราเราก็โกรธเขาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเพราะเรารู้ว่าเราไป สั่งเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เราต้องปล่อยไปตามความจริงเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะทำอะไรเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำให้เราเราก็จะโกรธขึ้นมา ท, าทันทีนี่แหละคือ เรื่องของการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีเกิดก็ต้องมีดับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้เวลาเรา จากโลกนี้ไปเวลาร่างกายนี้ตายไปเราไม่สามารถเอาร่างกายนี้ไปกับเราได้เราไม่สามารถเอาร่างกายของคนอื่นไปกับเราได้ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ใครมาเป็นของของเราเพราะเราจะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เราจะต้องจากเขาไป นี่คือการเห็นธรรมเห็นด้วยการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายปฏิบัติก็คือต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปให้หมดอย่าไปถือเป็นสารณะนะเป็นที่พึ่งอย่าไปอาศัยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอย่าไปอาศัยคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ มาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งเพราะจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ไปเสมอบางเวลาก็พึ่งได้แต่เวลาบางเวลาก็พึ่งไม่ได้เวลาพึ่งไม่ได้เวลานั้นจะเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจยอย่างยิ่งเช่นเวลาที่เราสูญเสียคนที่เราลากไปเวลาเขาจากเราไป ไม่ว่าจะจากด้วยการตายจากเราไปหรือจากพ่อะเขาไปมีคู่ครองคนใหม่ไปมีแฟนใหม่ mm hmm. เวลานั้นเราจะอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์คนที่ฆ่าตัวตายก็ฆ่าข้อพาะว่า สูญเสียสิ่งที่รักไปถ้าไม่เป็นคนก็เป็นสมบัติเข้าของเงินทองถ้าไม่เป็นสมบัติเข้าของเงินทองก็เสียอำนาจเสียตําแหน่งเสียยศถาบรรดาศักดิ์ไปเวลาเสียนี่มันทําใจไม่ได้มันจะทุกข์มากมันอยาจะมันอยากจะได้คืนมาให้ได้จะทําทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อที่จะเอาคืนในสิ่งที่สูญเสียไปให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายหรือไม่เช่นนั้นก็ฆ่าคนที่จากเราไปคนที่ทรยศคนที่ทิ้งเราไปฆ่าเขาแล้วก็กลับมาฆ่าเราต่อเพราะกลัวจะต้องไปรับโทษไปติดคุกติดตารางนี่ก็เป็นเพราะว่า ไม่สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั่นเองผู้ที่เห็นอนัตตาเห็นอนิจจงเห็นทุกขังก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่อยากได้อะไรก็จะไม่มีความทุกข์เพราะว่าจะไม่มี การสูญเสียจะไม่มีการพัดพาจากสิ่งต่างๆไปนี่แหละคือการเข้าหาสารณะที่แท้จริงต้องเข้าหาด้วยการปฏิบัติต้องการด้วยการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองด้วยการรักษาสิลให้สะอาดบริสุทธิ์และด้วยการชำระความโลภความโกรธความหลง ชำระความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจผลก็จะเป็นจะปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็จะเห็นพระอริยสงฆ์เพราะว่าผู้ที่เห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงฆ์นี่เอดังนั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเราก็จะเห็นพระพุทธเจา้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์พร้อมๆกันไปเลยเพราะเป็นของอันเดียวกันเป็นใจที่มีดวงตาเห็นธรรมใจที่สว่างสวายด้วยธรรมโมปีโปนี่เอง นี่แหละคือสาระที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราถ้าเราได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจที่เกิดจากการทำบุญละาบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ เราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่ทุกข์กับความตายเราจะไม่ทุกข์กับการพลดพลาจากสิ่งที่เรารักและจะไม่ทุกข์กับกา ร, รเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะสามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้านเลยนี่แหละคือสาระที่พึ่งที่แท้จริงของโวกเรา และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีอัตตาหิอัตาโนา โ, นโถคือมีตนเป็นที่พึ่งของตนคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นผู้อื่นปฏิบัติทางไม่ได้ศีลไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้เราต้องเป็นผู้ทาบุญเป็นผู้ละบาปเป็นผู้ชำระใจให้สะอาด การมาฟังเทศฟังธรรมนี่เป็นเพียงการมารับแนวทางเอาไปปฏิบัติเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเป็นที่พึ่งของเราเองเราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถเองถ้าเรามีอัตตาหิอัตโนนาโถแล้วเราก็จะมีพุทธังธรรมังสังขังสารนังกระชามิปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรา ดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างสรณะที่พื่อ น, นี้ให้เกิดขึ้นมาเพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างถาวรอย่างที่พระพุทธเจ้าและพาระอรหันตสาโลกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา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 Thank <laughs> you.